วันนี้เป็นวันใ่ขึ้นปีใหม่แล้วครับนี้มันก็เลยอยากจะเทในบางสักหน่อยบมงทีมันจะเสียงจะมีให้เทศได้ก็ไม่ทราบทุกคนที่พากันเกิดมามันมีเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปตลอดเวลาอายุของเรา แต่ว่าปีเดือนนะั้นมันของเก่าอยู่คนเราพากันหลงกันตื่นเงาเจ้าของความแก่ของเราเนี่ยนะมันหมดไปหมดไปพากตั้งแตตื่นเงานเนด็งเห็นว่าปีใหม่เกิดขึ้นปีใหม่มาเรื่ตื่นเต้นกัน อยู่กรุงเทพพูพากันมาถึงพี่ถึงวันีในเป้งที่มาขอพรปีใหม่มาขอให้อายุวันนาสุขภาพพระละขอให้มีอายุยืนานานทั้งความหลงของคนมันหลงอยู่อย่างนี้แหละหลงเงาตนเอง ไปาไปขอไหนมันจะได้ไปขออะไรความสุขมันจะสุขที่ไหนขอจากพระก็จะได้ที่ไหนความสุขความสุขมันที่ขอได้นั้นมันมีอย่างคืออาหารแต่ผ้ากันยังขออาหารจถวบ้านกินอยู่แ้วจะเอาความสุขมาญาติโยมได้ย่งไง นั่นแหละขอความสุขได้จู่ี่เฉยจะมาขอความสุขไม่ได้อย่างไรขอให้อายุวันน่าทุกขะหาขอให้มีอายุยืนนานมันยืนอะไรมันก็ขอหมดไปทุกทีทุกปีเหมือนกับเข้าท้องหูมันต่า ง, งหนา ท่นเขาทุกทีทุกทีมันจะหมดมันจะหมดแล้วบางคนก็ชวนจะหมดแล้วน่าจะเอานายุไหยมาต่อให้ขอจากพระพระหรือจะอยุที่ได้มาต่อให้พระก็หมดไปเหมือนกันทางคนทางหมดเดียกันที่ว่าให้กันนี่ได้ไหมล่ะให้วันหน้าคือผิวผัน ก็อาหารนั่นแหละผิวพันุก็ดีขอขอโยุกับวันหน้ากันเดียวกันนะเนีผิวพันผ่องใสรบริสุทธิ์ท่านหากว่าพระไม่ให้พระให้ขา น, นีเทพเอาที่ไหนมาให้วันละมันเกิดจากอาหารผิว พ, พันวันหน้ามันมีจากอาหาร ความสุขขอความสุขความสุขก่ออาหารนั่นแหละในความสุขสบายก็ดีถ้าอาหารไม่มีแล้วก้าอาหารไม่ตกข้อก็มดเหมือนกันความสุขพระพุทธเจ้าลันเทศทศ า, าว่าสุขไม่มีในโลกท่นานบอกว่านั้นนี้จะทุกเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกอันนี้เกิดเพราะอะไร ทุกันดับไปทุกไมคเกิดขึ้นมาอีกเห็นตาเป็นจริงนีแหละมันก็หมดเรื่องไม่ต้องไปขอความสุขแค่ใครอาหารบริโภคได้มีรสชาติดีมันก็มีกำลังองชาติทำอาหารเลี้ยงชีพได้ ความพรีบประการนั้นไม่ทราบไปขอจากใครตื่นเงาเจ้าของคือตัวหังเราเองนีน่มันเปลี่ยนแปลงมาทุกวันทุกวันเข้าใจว่าปีใหม่เดือนใหม่จะทำให้มีความสุขอายุอันนาสุขาประลาชีประการนี้น ปีมันจะเอาเดือนมันปีเดือนมันจะเอาอะไรมาให้ตื่นตัวเองเน่ะตื่นด้วยความโดยที่ไม่รู้ท้ำอีกไม่มีใครให้แต่ว่าตื่นเอาคอยได้มาจากปีเดือนปีเดือนนะเก็บตัวอย่างนานแต่ไหยแต่ได้มาแล้ว เกิดสมาเหตุเช่อย่างนั้นหมดไปปีหมดไปเดือนหมดไปมันไม่มีเหลื อ, อมันหมดไปไปอยู่ไหนก็นไม่จับแต่เราสมมติว่ามันหมดแต่อันที่จริงมันไม่หมดหรอกมันหมุนเวียนอยู่กันเนี่ยแต่ไหนจะอะไรมา เดือนก็ไปหาปีวันไปหาเดือนเดือนไปหาปีนับเวียนกันไปแต่ว่าแต่ว่าวันมันก็ไปได้เรียกวันเนาะที่ตัวอาจารย์บางครั้งพูดว่าหัดสุขเศรฐ์ท่ามันก็ไม่ได้เรียกวันเดือนก็ไม่ได้เรียกเอสามอิคาร์ธาระเนื้อก็รักไออิทุนาขอรัตดาไม่ได้พูด เราไปใส่สมมติเชื่อเวยีเนี้ยปีก็ไม่ไ ด, ได้ไม่ได้เรียกตัวตนเองตัว จ, จรู้การถอดไม่ได้พูดคนพูดเราต่างหากคนสมมติเราต่างหากความเป็นจริงมันตัวของเรานี่ต่างหากมันหมดไปไม่ใช่อันนั้นหมดไป ไม่ใช่วานปีเดือนหมดไปแต่ตัวของเราเนี่หมดไปตัางหากคันมองว่าเห็นตัวของเราแล้วไม่ต้องตื่นเต้นของมันแม่งหมดมันห่งไปตามเรื่องของมันความที่เราจะตื่นเต้นนั่นตื่นเต้นที่ตัวของเรา วันหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งอดี้สมมติมันยัดกันนะเราเจริญขึ้นหรือว่าเราเสื่อมลงอันนั้นต่างหากขึ้นความเสื่อมของเจริญของเราร่างกายของเรานีไหมไม่มีหรอมันจะเจริญขึ้นมันมีแต่เสื่อมลงมันเกิดขึ้นมากล้ เสื่อมลงทุกทีทุกปีตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมันดาแล้วนะี่ยมันแก่คือความเสื่อมถ้าไม่แก่มันก็ไม่คล อ, อดออกมาแก่วันแก่เตือนแก่ปีไปโดยลำดับจ้วถ้าท่างเฒ่าชราในวันที่สุดกัะมรณะภคือตายมรณะคือตาย อันนีเรียกว่ า, วาอของแก่ของร่างกายควาแก่อของจิตใจแลเรานี่มองดูจิตใจเราร่างกายนี้เราอาศัยมันอยู่เฉยๆเขาทำกายเราแก่ก็แก่กทําใจเรามันแ ก, มนก่มันก็ต้องแก่ ทำกายให้แก่เป็ยังไงแก่กล้าด้วยคุณธรรมใจน่าแก่กล้าด้วยคุณธรรมท่า น, นั้นอย่างเป็นของเราวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดถึงทานทุกทีเราคิดถึงการทำทานไหมวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดถึงการรักษาศีลไหมแล้วเราคิดถึงการทาสมาธิภาวนาจำทาใจญ่ขึ้นงกไหม ทำใจเปิกบานทำทานนะคะนี่การทำทานใจอิบอือเปิกบานอันที่ใจอิบอเบิกบานนั่นนี่ยเป็นนายูรนาสุขะนั่นนะตรงนั้นอ่ะใจเปิกบานแล้วคกายมันก็เบิกบานแล้วที่วันณะมันก็เกิดขึ้นเลยนี้สุขามันเกิดขึ้นแล้ววันณะมันก็เกิดขึ้นเลนี้อี่มอหอิ่มใจในการที่เราทำบุญทำบุญสุนทรฐานในการ ทำทานวันหนึ่งวันหนึ่งเราทำทานอิ่มขึ้นมาอะไรที่เร า, ววาเป็นของเราเลยการทักษาชินค่ะนี้ชินจะมีกี่ตัวชินจะมีกี่ตัวในตัวของเรา าาอัฒนาธิการเมตษนิชาชานมุสาวาทสุลธรมิไรอะไต่างๆเราเรามีครบไหมในตัวของเราถ้าไม่ครบก็ทำมันมันครบขึ้นมามีตัวหนึ่งแล้วปีนี่พีหน้าต้งมีตัวอีกตัวสองตัวชิว้ น, นสองตัวกีหนาพีถ้าต่อไปจะชิ้นสามตัว ปีต่อรถก็สินสี่ 4, ตัวห้าตั ว, 5, ตวครบบริบูรณ์ใน5ป้ปีอันนั่นแหละมันจเจริญคันมันได้มีสินครบบริบูรณ์แล้วที่แกก็อิ่มเบิงเบิกบานวั น, น่ะเกิดขึ้นแล้วนะทุกขามีแล้วเกิดวั น, น่ะก็เกิดขึ้นภาระก็มีกำลังกายกำลังใจ เาบริบูรณ์เนี่ยอายุมันทําให้ยืดยืนได้เหมือนกันคนมีศีลห้าบริบูรณ์ทำอายุยืนไ ด, นนนนนได้อย่างธรรมบาลในตระกูลธรรมบาลสมัยเมือ่อก่อนเมือ่อธรรมบาลในตระกูลของธรรมบาลรักษาศีลหาบริบูรณ์หมดทุกคนในตระกูล น, นั้น นู้ไปถึงร้อยไม่ตายบานทีเรียนหนังสือในคนะธิศสาพมพโมกเห็นเด็กคนอื่นตายญาติน้องเข้ามาพ่อแม่มาร้องไห้หัวราะเลยเขาถามว่าทำไมยิงหัวรา ะ, ะคนตะกูน้องการนั่น่ะ อายุไปถึงร้อยก็ไม่ตายกันครูก็เลยพิดสบุญที่ <Hey, S 1> แตกจริงๆมันเปลียนได้ไงมันเปลียนได้ด้วยเลยเอากระดูกแพทเผาไปเอาก็กระดูแกดแพทย์ห่อพาเราไปพ่อแม่ของดํงมามะบาดร้องไห้ทั้งมไปถึงบ้านแล้วก็ร้องไห้เลย น้องไห้อะไระท่านนลูกไปฝากไว้จำหนักของขาไปเจ้าลูกท่านตายแล้วเรื่องหัวเราะอีกพ่อแม่ก็เลยหัวเราะอีกทําไมท่านยังหัวเราะบอกว่าลูกฉันเนี่ตายกระดูกนี่ไม่ใช่ลูกของฉันไม่ใช่กระดูกลูกของฉันอายุมาถึงร้อยปีไม่ตายแล้วลูกของฉัน แจ้งแจ้งใ่ยใจแจ้งชัดขึ้นมาโอ้เป็นองนี้เองตะกู้นอนันนี้นั่นแหละก็รักษาสินหาแด่เขาบริบูรณ์ลองดูมีอายุยืนนานได้เหมือนกันแต่ไม่ถึงร้อยปีก็นานนานป ว, วกกนดปกติธรรมดาอะไรมันทำให้อายุยืนเพราะจิตใจมันองใสเบิกบาน ิถึงทางพว ง, งมดชิดห้า15เรามีขอ้อปฏิบูละไม่มีปานาที่ปาดแม้ที่นาคือความชั่วไม่เกิดขึ้นในตัวของตนจิตใจมันก็ผ่องใสเบิกบานอันนี้มันยืด น, น, นานเท่านี้อันนี้จึงควรตื่นตื่นันนี้ดีกว่าตื่นนายุคของเราที่ดีกว่า ตื่นตัวของเราในที่สุด ว, ว่าเราได้ทําดีแล้วเจะาขอนไม่เคยมีสินหาเวลานี้เรามีแล้วตื่นนนี่แหละดีดีก็ตื่ น, น, า ต, นตามธรรมดาที่เขาตื่นกในบ้านในเมือง น, นั้นอันเขาตื่นมาโกงเงินขังกับพวกที่อธิบายมานี้ คือในกินเหล่ามาอสราเฮฮ า, าก็ไปทั่วทุกแห่งขุนคนโดดโรดผวในผลที่เจ้าเกิดครับว่าขบลาไม่ลดขวบเกิดทะลอยอ้วัดทุ่มเถียงตีกันเลยหัวล่างข้างแตกในที่ก็ถือกับตายปีหนึ่งปีหนึ่งมาเท่าไหร่ที่คนตายเพราะปีใหม่ มันไม่ได้ตื่นในตัวของเราเนะ่มันตื่นของไว้นอกนี้ค่อยหลงลืมไปอันนี้เลยไม่ตื่นในตัวของเราเพียงแค่นั้นเหราะฉะนั้นคมตื่นในตัวของเรานะเป็นของดีมากเป็นเห็นให้รู้สึกตัวขึ้นมาในใจปีนี้เราได้จิตได้จิตตัวหนึ่งยังไม่เคยมีสียธในปีนี้เอาเขา้ามาได้ตัวหนึ่งพีต่อไปได้สองตัว ทีที่ห้าทีก็ได้ครบบริบูรณ์อุ่นใจราคานี่ะสบายใจผู้มีสินราคาเนี้ตื่นทำสมาธิข้อนี้ฮัดทำสมาธิภาวนาลงไปง้งว่าท่านเป็นสมาธิก็หัดทมันเป็นสมาธิจิตใจนั่นแน่แน่ตรองเป็นหนึ่ง มันแม้ท่านเป็นน่ะยังต้องหัดหัดให้มันเป็นภาวนาปีนี้ได้แค่นี้แหละปีหน้าต่อจากนี้ไปทำธรรมที่ให้ได้แน่แน่ปีหน้ามันี้มีชนะกว่านี้อีกปีที่มันได้ปางมาได้ปังมันสงสัยออกแบบไฟมาสถาลัตย์ทุกอย่างมันทําที้แจ้มันเห็น ดีอยู่มันเห็นจิตดีกว่าไม่เห็นจิตอีกทำปีหลังต่อไป้มันแน่วแน่ลงไปปีหนึ่งให้ได้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีอยู่เข็นสมาธิแล้วสักครั้งหนึ่งก็ยังดีดีกว่าที่เราอยู่เฉยๆไม่เลยขัดสมาธิเลยไม่ชาเเกิดมาจิตวิาาคชาติ ชาตินี้เคยไม่เคยทำสมาธิสักทีชาติเน่ยมันได้สักครั้งหนึ่งก็ยังมาประดีอยู่มาปีต่อไปแล้วครับทำาต่มันได้ไบ่วยเพราะามันจะมีชํานาญค่องแขล่วเพราะต่อไปมันได้เป็นขันเป็นขันเป็นตอนเป็นขั น, เ ป, น, ขนเป็นตอนออกไปเสร็จกระช่างมันจะมีชำนาญ ทำเวลามันได้ทำเวลาได้ให้ได้เวลานั้นอันนั้นนะเรียกว่าต่อต่ออายุต่อหน้าทุกขส์สาระนั้นต่อกันไปนั่นนะควรตื่นตื่ น, ต, นตื่นทำาสมอที่ภาวนาควรตื่นถ้าหาไม่งั้นจิตใจของเราันอยู่เสมอภาอยู่เสมอเก่า ต้องคิดดูสิคนเรานะ่ะจะคนแก่แต่ามคนหนุ่มก็ช่าจะมองเห็นไดน้ง่ายมันไม่แก่มันไม่รู้จักแก่ในเวลาฝันเราจะอยากจะรู้จักว่ามันแก่เลยไม่แก่ัวเราในเวลาฝันรู้จัก มันยังเป็นหนุม่มเป็นสาวอยู่แต่ภายนอกเขาเห็นหมดแล้วแก่พอแล้วเขาอยกากกับตาเรียกว่ายายเรียกว่าป้าเรียกว่าลุงอะไรต่างๆมันแก่เขายังเรียกว่าป้าเขาเขาเรียกว่าลุงเขายังเรียกว่าตาว่ายายเขาเห็นกันทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ในใจไม่เห็นไ ม, ไม่ไม่มีใครเห็นหรอก แล้วฝันเห็นกันง่ายทีเดียวยังนมป้ออยู่ทุกคนไม่ตา้าเราเป็นยังไงยังไม่แก่หัดให้มันแก่สิแก่มาแล้วตัวขงเราก็ต้องหัดจิตหายใจมันแก่เพาเป็นคนเถ่าของแก่เขาบังไม่หัดมันไม่แก่สักที ทั้งโลกเขาเกิดมาไม่แก่เมื่อทุกเกี่ยงทุกอย่างหมากไมมคนไหมอะไรต่างๆจะแก่ไปตามการตามเวลาของมันแต่คนนี้ไม่มีแก่เลยเป็นหนุ่มตลอดเวลาเห็นนหมคนตายไปมันมีมันจึงอยู่สภาพเดิมของมัน มันไปเกิดใหม่เป <ica> ็นเด็กเป็นเด็กมันก็เท่าเก่าลูกลูกเล้าเป็นเด็กเป็นเด็กแม่แกมันก็เท่าเก่ายังมาให้พิจารณาให้ให้เห็นง่ายๆกันอย่างเรานอนฝันรู้รู้จักแล้วมีสติสตังนอนฝันรู้เรื่องตัวตนฝันเนี่ยไปรู้จักว่าตนฝันแล้วเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นภาพเป็นเองก็รู้จักก็เป็นภาพเป็นเงินท่านแม่แกอุบาสัน เราเป็นลูกวัดศพเราเป็นลูกวัจิกาเราเป็นพระเป็นเนรน่ะไมนแก่ขึ้นมาแล้วน่ะมันไม่เป็นไม่เป็นไมนเป็นขราดอย่างเก่ามันเป็นพระเป็นเนรมาแต่ถ้าเป็นลูกวัดวาติกามันก็ไม่เคลื่อนเคลืนนุ่มหลงอย่างเขาทาอะไรก็มัดตะวันคือแนวครอบเขตโอเคท้องชที่ทำ นั่นคืจอจากมันแก่มันแก่ึ้นมากระจายทำสมาธิภาวนา้มั น, น, นได้ให้มันเป็นอย่าเป็นคนหนุ่มให้มันค่อยแก่ขึ้นมาหน่อยทางอนี้นก็มันแกน่ไงล่ะมันแกนน่มันจะคนทุกข์อะไรกันนี้เหมือนกับรูกไม้คนไม้นะัน มัน ร, ร่วงไปแล้วมันก็เลยหมดสภาพของไอของยังหนุ่มยังไอยังหมดสภาพของรูปไอที่ยังสดๆมันแก่แลมันก็หวานเลยสิควรที่จะหวานมันก็หวานที่แรกมันยังเกิดมาที่แรกมันยังดิบดิบอยู่ยังอ่อนอยู่ สมื่อจะออกมาม่วงอะทัาออกมาเป็นลูกเกิดพดออกมาแล้วกับเป็นลูกมานี้เดียวเลวต้อาไปกินลองดูดิขมจัดทีเดียวกล้ ว, วยก็ขมจัดทีเแล้วทีแรกท่านแก่มามันก็ค่อยฝากขึ้นมาน่ แกมาตอนนั้นก็ค่อยมั่นมิจะมาหน่อยแกบขบึ้นมาก็ค่อยหวานขึ้นมาหน่อยอันควรที่จะหวานคนจีก็ปเกปรี้ยวเปรี้ยวผักก็ไปนานันแกบบแฝบงบแกบงบสภาพไปคนเอาไม่แปงจะท่เท่าเก่าอย่นงนาจีจีของหลักแบบมบบันแปงไม่แฝงสภาพ จ้างหาว่าเราไม่ฝุกหัดอบลงไม่มีแปรสภาพเลยจิตใจของคนเรายังมีหน้ำทําเลวร้คนท่านอีกกลับไปเป็นเด็กอีกอีกคนแก่คนเฒ่าเลยไม่รู้จะแก่จะเฒ่ากลับเป็นเด็กก็ที่อีกอันนี้พูดถึงเรื่องปีใหม่ ที่เขาสมมต ญ, ญติเราฟรีใหม่กาแท็กซี่มันไม่ใช่ของใหม่หรือของเก่านะั่นแหละตะวันขึ้นของเก่านะั่นแหะตะวันตกกับของเก่านะั่นแหละวันหนึ่งวันหนึ่งคือตะวันขึ้นตะวันตกนั่นแหละวันหนึ่งเขาเรียกว่าวันถ้าสมมติเรดจดจำกันว่าถ้าเป็นสามสิบวันก็เป็นเดือนคิดสองเดือนก็เป็นปี อันที่จริงก็เท่าเก่านั่นแหละสมมุติมันยัดแทงของเกา่ามันค่าอายุชีวิตของเราไปตัางหากเรานี่ยมันหมดอายุชีวิตของเรานี่แหละอย่างคําโคขงขนาดยัดตัวหนึ่งมีสองมีตาสองข้างขนาดข้างหนึ่ง ลิฟ์ดีข้างหนึ่งโพรงโลกมันว่ะคือแต่ว่าคเดือนเดือนเด็บเดือนดับเดือนเพ็ดนั่นเองข้างหนึ่งลิฟ์ดีข้างหนึ่งโพรงโลกบทเขี้ยวกินสัดหมดเกิดบทบทเขี้ยวกินสัดหมดปัททกีนั่นว่ะนี่จิตสาจะดิทุกคนมันก็อยู่ในดวงวงเดือนดวงดวงวันลวงเดือนนั่นเอง ยี่สิบสองชั่วงเ้เป็นวันยี่สบสี่ชั่วโมงเป็นวันสามสิวันคือว่ามันกินไปสามสิบวันมันเคี่ยวกินไอ้มันมีสามสิบที่ฟันมีสามสิบที่กินสัดหมดหมดสัดหมดพัทธีสัมปันกินตัดหมดพัทธีทัันนามสิวัน มีฟันนัสามสิบวันสิบสามสิบี่มีฟันสามสิบี่แต่คือสามสิวันเดือนนนึ้งบดเคี้ยวกินสัตว์หมดปัทภีทุกคนเหมือนกันนะยักตัวนีน้มันมีเหลือหรอกินหมดชอบนะักคนได้เกิดมามเคี้ยวกินมดทั้งทุกคนทุกคนนะเราไม่รู้ตัว อาวละเท่านั้นแหละยิชิตังปฏิตังถูกหังสิปเมวะสมิชะตุสเปปุเอนตุสังกษาจันโทปนาะโตยถามาณิโชติระโตยถ า, าสพีติโยวัจันตุสปโรโคินาสตุมาเทโคตันตลายโย โยคีพี่าโยโคอภิวาทนสีิานิจังุทาจายินจตาโลธรรมะทันอยุอโนสุขา